เอาน่ายอย่าซสีเรียกเรื่องแมวห้าหมาสี่เป็นการลักกินีจริงหรือบันทิตคนหนึ่งไปเยี่ยมเพื่อนบ้านเห็นกำลังนำลูกสุนัขใส่เข่ง จึงถามว่ามีคุณจะนาสุนัขนี่ไปไหนเอาไปปล่อยที่วัดเพื่อนตอบบัณฑิตสงสัยจึงถามว่าเอ๊ก็สุนัขทั้งสี่ตัวนั่นนะ่ะน่ารักน่าอินดูทำไมคุณจะไปปล่อยเสียละ่ะเพื่อนชี้แจงว่าโบราณท่านถือว่าแมวห่ามาสิห้ามเลี้ยงเป็นการละกินนี้ ใครเลี้ยงไว้เป็นอัปมงคลบัณฑิตจึงขออนุญาตรับสุนัขทั้งสี่ตัวไปเลี้ยงเองสุนัขทั้งสี่ตัวโตวันโตคืนเพราะได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีมันรักเจ้าของมันมากไปไหนก็ตามไปด้วยวันหนึ่งบัณฑิตออกจากบ้านเจ้าสุนัขทั้งสี่ ล้อมหน้าล้อมหลังตามไปเป็นพรวนขณะนั้นเองงูเห่าใหญ่ตัวหนึ่งพุ่งตัวออกจากกอหญ้าทําท่าจะกัดบัณฑิตสุนัข ต, ตัวหนึ่งกระโจนเข้าไปกัดคองูเหา่าอีกสาตัวกระโจนเข้าไปรุมกัดงูเห่าตัวนั้นจนกระทั่งตายอยู่ณตรงนั้นเองบัณฑิตดีใจเป็นที่สุด เข้าไปโอบกอดสุนัขทั้งสี่ตัวด้วยน้ำตาแล้วพูดว่าเออข้ารอดตายมาได้คราวนี้ก็เพราะพวกเจ้าช่วยป้องกันมิะนั้นแล้วข้าต้องตายแน่แ่ฉะนั้นโบราณว่าแมวห้าหมาสเป็นการลักกินีนั้นไม่จริงข้าไม่เชื่อ